ันบุญอัศจรรย์แสนปลื้มใจในวิธีอนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุณีเป็นบารมีได้ติดตามรำลึก สงพี่นอ คลายเผยแผ่ไกลไปทั่วโลก